วันนี้เป็นวันสำคัญนะสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่รับราชการเพราะว่าข้าราชการหลายคนเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่จะได้เกษียณอายุแล้วอย่างเป็นทางการเรือว่าเป็นมาสุดท้ายนะของการรับราชการก็ได้อย่างเป็นทางการนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำงานมาสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้ อันนี้สำหรับคนที่จะเกษยียณอายุราชการในวันนี้นะเมื่อวานนี้ก็ทำงานมาสุดท้ายก็ผอ ม, มีการเลี้ยงส่งแล้วก็มีบรรยากาศที่ทํำให้เกิดทั้งความอาลัยและความเพลิดเพลินพะมีการเลี้ยงส่งกันคนจำนวไม่น้อยเนี่ยซึ่งที่จริงอาจจะรวมไปถึง เอกชนดีนะที่เกษีย อ, อายุในวันนี้เนี่ยหลายคนก็รอวันนี้แหละเพราะว่าจะได้วางภารกิจการงานทั้งหลายต่อไปนี้ก็ไม่ต้องตื่นเช้าไปเจอรถติดนน่นขนหนัดให้หัวเสียจะตื่นนอนเมื่อไหรก็ได้ รวมทั้งสามารถจะมีเวลาไปทําสิ่งที่ชอบจะไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่ไหนก็ไปได้แล้วถ้ามีเงินแต่ก่อนมีเงินแต่ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องรับราชการต้องทำงานอันนี้คือผลที่หลายคนรอคอยนะรอคอยวันนี้แต่หลายคนเนี่ยพอ กเกษียณไปสักพักก็จะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตหรือบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่วันนี้แล้วก็ได้สิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตนี้ก็อาจจะได้แก่บริษัทบริวารตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศแล้วก็จำนนึงผลประโยชน์บางอย่าง ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มาพร้อมกับงานหรือหน้าที่ในราชการโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งสูงๆนะมีอายุการทำงานมากเนี่ยบางคนก็ได้เป็นถึงกทิบดีบางคนก็ปลัดกระทรวงหรืออย่างน้อยๆก็หัวหน้ากองผู้อหนวยการซึ่งหลายคนก็อาจจะ ไม่ได้นึกนะว่าพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ต้องทำงานนอกจากจะต้องนอกจากจะไม่มีภารกิจการงานแล้วสิ่งหนึ่งที่หายไปจากชีวิตด้วยก็คืออันนี้แหละในการที่ไม่ต้องรับภาระรับผิดชอบนี่โอ้โมันก็เป็นความปรารถนาของคนเรานะแต่พอรู้ว่าสิ่งที่จะหายไปด้วยเนี่ยก็คือ ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบริษัทบริวารก็จะรู้สึกใจหายขึ้นมาหลายคนก็มารู้สึกอย่างเนี้ยตอนที่ได้เป็นรัษดรเต็มขั้นแล้วบางคนก็เป็นพ่วงในการโรงพยาบาลบางคนก็เป็นพูวงในการสำนักงานหรือผู้จัดการถ้าเป็นเอกชน ไอ้ตอนทำงานเนี่ยก็นึกถึงแต่ภารกิจการงานที่หนักอึ้งความรับผิดชอบที่ทำให้เครียดก็เลยอยากจ ะ, กะเกษียณไวๆหรืออยากจะพ้นภาระนี้ไวๆแต่ก็ลืมไปว่าไอ้งานเนี่ยนะมันก็มาพร้อมกับตำแหน่งนะอำนาจ เกติยศรวมทั้งผลประโยชน์บางอย่างตอนที่ทำงานเนี่ยก็นึกถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบอย่าให้วางมือวางงานเร็วๆแต่พอได้วางงานพอกเกษียณพรากะวะ่าไอ้ที่หายไป้วยเนียก็คือสิ่งที่ว่านี่แหละซึ่งเป็นโลกธรรมายบวกถึงตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วโอ้เสียดายนะ เสดายงานหรือเห็นคุณค่าของงานขึ้นมาแต่ก่อนนี้ไม่อยากจะไม่ชอบงานเลยเป็นภาระแต่พอไม่ได้ทำงานจริงๆก็จะพบว่ามันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตถึงแม้บางคนเนี่ยจะไม่ใช่เป็นอะไรการะดับสูงนะอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงไมไ่มีบริษัทบริวารไม่ได้มีอำนาจผลประโยชน์พองติดมา แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะขาดหายไปคือมิตรสหายเคยไปทำงานแล้วก็ได้เจอสังคมที่เต็มไปด้วยมิตรสหายพี่บางน้องบางแต่ส่วนใหญ่เป็นน้องมากกว่านะพออายุหกสแล้วมันก็เจอแต่น้องแหละหรือเพื่อนตอนนี้ทำงานก็ยังไม่ได้คิดนะว่างานนี้มันให้คุณค่ากับเราตรงนี้ด้วย ก็มองแต่ว่ามันเป็นภาระเป็นภาระนะแต่ไม่ได้มองว่ามันมีด้านดีอะไรบ้างที่พ่วงมากับงานซึ่งสับไรคนก็คือแวดวงนะมิสหายพอเกษียณออกจากราชการแล้วก็ไม่ได้เจอแล้วนะมิสหายน้องๆเพื่อนร่วมงานก็รู้สึกเคว้งได้เหมือนกันนะ และที่สำคัญคือหลายคนได้พบว่าสิ่งที่งานมันให้กับเราเนี่ยก็คือความรู้สึกมีคุณค่ามีความหมายเพราะได้ทำประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นงานเอกชนหรืองานราชการไอ้ความรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์เนี่ยมันทำให้ช่วยเติมเต็มความรู้สึกในใจนะทำให้มีความสุข พอได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าก็พอรู้สึกว่าตัวเอเราเองมีคุณค่าด้วยตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ได้คิดนะว่ามันเป็นผลประโยชน์หรือเป็นอนิสงส์อย่างหนึ่งของงานคิดแต่ว่างานเป็นภาระไม่อยากทํางานเลยแต่ต้องทําเพราะรายได้ต้องการรายได้ต้องการเงินเดือนแต่ตอนนี้มีเงินสะสมพอแล้วไม่ทําก็ได้ แต่พอไม่ได้ทําจริงๆเอารู้สึกเคว้งนะไม่ใช่เพียงเพราะว่า <c oughs> บาดวงมิตรสหายหายไปจากชีวิตแต่รวมถึงความรู้สึกว่าตัวมีคุณค่าด้วยและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาทดแทนได้นะแม้จะไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนอาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินชั่วคราวแต่พอเที่ยวถึงจุนหนึ่งนะ เริ่มเบื่อแล้วพอเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งที่มีคุณค่ามันก็จะมารบกวนแล้วพอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไปด้วยแต่หลายคนเนี่ยพอได้หันกลับมาทำงานใหม่แต่ก่อนนี้ไม่ชอบงานเลยทำงานยังไม่มีความสุขเลยเพราะไม่เห็นว่างานมีคุณค่าแต่ทำเพราะเงินเดือนทาเพราะต้องการไรายได้ แต่พอเกษียณแล้วนี่หลายคนนี่หันกลับมาทำงานนะทั้งที่ไม่มีรายได้ทำงานแบบเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาแต่ว่ายินดีนะเพราะทำแล้วมีความสุขยังมีผู้จัดการธนาคารคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยตอนที่ทำงานนี่ก็ทำงานหนักมากรอคอยวันเกษียณพอเกษียณก็ดีใจ ต่อมนี้ฉันได้พักฉันได้เที่ยวนอกจากเที่ยวแล้วก็ได้ใช้ชีวิตตามสบายดูหนังนะติดซีรีสนะ์เป็น1ิบสิบตอนเป็นร้อยตอนก็ไม่เคยได้ดูสักทีเท่า น, นี้ได้ดูเต็มที่แล้วจะไปกินที่ไหนก็ได้กินเพราะมีเงินแต่พอทำไปสักพักเบือ่อเพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ย พ อ, อยุมากแล้วเนี่ยมันไม่มีลูกไม่มีหลานให้ดูแลนะไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านนี่หกสิบแล้วเนี่ยยังมีหลานให้ดูแลยังมีงานให้ทําถักกระบุงตะ ก, ก้าทอเสือ้อย่างชาวบ้านเราสมัยก่อนนะสมัยนีย้อาจจะ ก, ก็เริ่มซาซาวแต่คนในเมืองเนี่ยนะพอหกิแล้วเนี่ยหรือพอสูงไหวแม้มีเงินนะแต่ว่าพอไม่มีงานเนี่ยเริ่มสึกเคว้ง นะพี่อการกันนี้เนี่ยพอเคร่งงาก็เลยหันไปหางานไปเป็นจิตอาสานะไปช่วยโรงงานเรียกว่าสถานีดีกว่านะสถานีแยกขยะขยะที่เป็นกระดาษที่เขาทิ้งแล้วถุงพลาสติกเครื่องไม้เครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์ก็มาแยกเอาสิ่งที่มีประโยชน์ไปรีไซเคิลเพราะทำแล้วมีความสุขทั้งที่ทำแล้วไม่ได้เงิน ที่ทำงานก็ไม่ได้ติดแอร์โลง่ลงๆใช้พัดลมแต่ถา้าเรมีความสุขนะถึงก็บอกว่าเนี่ยบอกคนที่มาที่รู้จักว่าเนี่ยผมเนี่ยคือขยะคืนชีพนะคือก่อนที่จะมาทำเนี่ยเป็นขยะรู้สึกว่าตัวเองมันขยะไม่มีประโยชน์แต่พอได้มาทำงานแยกขยะแล้วเนี่ยนอกจากทำให้ขยะมีคุณค่าขึ้นมา เรื่องทำให้ความรู้สึกว่าตัวเองป็นขยะในใจเนี่ยมันหายไปนะกลายเป็นขยะคืนชีพคือมีคุณค่าขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอันนี้เพราะได้ทำงานนะท่านที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีผลตอบแทนแต่ได้อยากทำเพรารู้สึกมีมคุณค่าขึ้นมาคนเราตอนที่ทำงานไม่ค่อยเห็นคุณค่าของงานนะเพราะลืมนึกไปว่างานมันทำให้เรามีคุณค่า แต่พอไม่ได้ทํางานเท่าเกษยียณเนี่ยหรือตกงานเนี่ยจึงรู้สึกโอยงานมีคุณค่ามาอยากทํางานไม่มีรายได้ก็ขอทําทําแล้วมีความสุขทําแล้วมีคุณค่าแต่ว่าพอคนเราถึงจนหนึ่งนะไอ้งานก็คงทาได้ยากแล้วลนะ่ะเพราะว่าร่างกายไม่อํานวยบางทีก็ป่วยและไม่ใช่แก้แก่ชราเนียป่วยแต่ถ้าเราตระหนักว่ามันมีงานอีกอย่างหนึ่งนะ ที่เราทําได้แล้วควรทาแล้วควรจะทําแต่เดี๋ยวนี้คืองานภายในนะไองานภายนอกงานแยกขยะงานเป็นจิตอาสาหรืองานไปเป็นที่ปรึกษาใครต่อใครนี่ก็ถือเป็นงานภายนอกเกษียณแล้วก็ควรทําแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังขารไม่อํานวยที่จะทำงานภายนอกได้ก็ยังรื้ว่ามันมีงานภายในที่จะต้องทําและทำแล้วก็ทําให้ไม่เคว้งนะแม้แก่ชารา แม้นอนติดเตียงก็ไม่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ไร้คุณค่าเพราะมีงานภายในที่ทำสม่ำเสมอเจริญสติทำความรู้สึกตัวขัดกาากิเลสให้บรรเทาเบาบ า, บางแลพวกนนี้มันช่วยทำให้สามารถอยู่กับความทุกข์นะอยู่กับความแก่ชราความเจ็บป่วยได้ดีด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเกษียหรือไม่เนี่ยนะต้องคิดนะแล้วก็เริ่มทำเนเดี๋ยวนี้ ยิ่งเกษียณแล้วเนี่ยยิ่งต้องหน้าทำใหญ่เพราะมีเวลาเยอะแล้ว